บุ๊กทูสิบห้าลิมาเบลัสผลไม้และอาหารบ u a h บุ้ยฮันบาหั น, น, หนมากาหา น, นดิฉันมีสตอเบอรี่ฉยน มีผ ah ู ah ah an, ้หญิง1ตัวดิฉันมีกีวีและแตงโมฉันมีผู้หญิง1ตัวดิฉันมีส้มและกล sebuah ่ง r u k ม a n buah a ง g g u r ดิฉันมีแอปเปลิลและมะม่ว ง, ปปงฉันมีกล้วยและสับ ป, ประระปปป ด, นนนดฉันกำลังทำสลัดผลไม้ s a สลัด u a h ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้ง s ั y a ินขนมปังปิดงฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนย saya ินมากับเนยฉันกินขนมังปิกั ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยม saya m akan โรตี d e n g a n m e n t e และ a ซลล์ย์ดิฉันกำลังทานแซนวิช saya m akan โร ti ลับพิษดิฉันกำลังทานแซนวิชทานเนยเทียม ฉันกันโรติล็ i บสเตอร์กับมาร์กอแรนดิฉันกำลังทานแซนวิชทานเนยเทียมและใส่มะเขือเทศฉันกินโรตีกับมาร์กอแรนและทอมัตเราต้องการขนมปังและข้าวเรามี ม e บ e ้นทุกขันโรตีแล a น้เราต้องการปลาและสเต็ก kami membutuhkan ikan dan steak เราต้องการพิซซาและสปาเก็ตตี้คามีมีบุ้นทุกขันพ z ซซาและสปาเก t ต เราต้องการอะไรอีกไหม Apa lagi yang kami butuhkan เราต้องการแคลอดและมาเขือเทศสำหรับทำซุป Kami membutuhkan wortel dan tomat untuk sayur sop Supermarket อยู่ที่ไหน Di mana supermarket